จ้ากพระภัยบูนาพี่ปุลโนจากวัดป่าดอนหาโศกอำเภอหนองอานจงังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประชามเาจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้ น, นคือหมายความตั้งแต่คระหัตผู้ครองเรือนเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้เป็นไปนในธํานองกล่องธรรมจนถึงบุคคลที่ ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ต้องการจะพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริรบูรณ์ส้นเชิงสําหรับหลายๆท่านคนสองกลุ่มนี้ดูเหมือนกับแยกขั้วกันไปโดยสิ้นเชิงคําสอนของพระเจ้าก็เหมือนกับดูแยกกันไปสิ้นเชิงนังกละวาดอาสอนให้หาเงินให้หาเงินด้วยความเพียน เป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงือ่อให้ทำความเพียนให้รู้จักมีการแบ่งใจทรัพย์รู้จักรักษาหน้าที่มรนดาบีดาลูภรปปรยาเพื่อนฝูงทำยังไงสอนไม่หมดนั่สอนให้รู้จักทรรมหากินไวอย่างนั้นในอีกเรื่องหนึ่งสอนกับผู้ที่เป็น ป, นปรรพชิตผู้ที่ยินดีในการประพฤติปรหมชนให้ละให้ว่างให้ปล่อยให้ทิ้งให้มีภาระน้อย อย่าทำภาระมากนะให้มีบริการน้อยเป็นคนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายฟังดูผิวเผินเนี่ยเต็มฝั่งไม่เหมือนกับเป็นคนละเรื่องเดียวกันเป็นคนละอย่างเลยคนละขั้วแต่ก็มีหลายท่านทางครูบาอาจารย์ที่ท่าอธิบายถึงว่าโอ้ก็เหมือนก็มีคน2กลุ่มนะคือเปรียบเทียบกับทหารที่ทหารประจําการที่ทําการรักษาบ้านเมือง เป็นทหารประจําการทำเปการฝึกซ้อมรบอะไรต่างๆในขณะเดีวยวกันคนที่เป็นพเลรเรือนก็มีกองกําลังเขาเรียกว่ากองกําลังสํารองที่มีการฝึกเพื่อที่จะคิดอ่านการงานในการป้องกันประเทศชาติบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับทหารกองเกินแล้วก็ทหารกองประจําการลักษณะนั้นอย่างไรก็ตามในทางคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ดี ยังยินดีในการเสพกามอยู่หรือผู้ที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นัน่นคือการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยคือเพื่อหลีกออกจากกามแต่ถ้าคุณยังหลีกออกจากกามไม่ได้คุณยังยินดีในการมคุณห้าอยู่ยินดีในความสุขที่เกิดจากตาหูจ ม, มูกลิ้นและกายห้าอย่างนี้อยู่ถ้าคุณยังยินดีในกามคุณห้าอยู่นั่นคือคนกลุ่มนี้ก็มีแต่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ เห็นโทษของกามคุณ5แล้วใน ต, ต้องการหลีกออกจึงมีการบรัตรพุทธพรหมจันทร์อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง2กลุ่มนี้เหมือนกันตรงกันข้ามกันเห็นคนละอย่างเห็นคุละคนละแบบมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงกลุ่มหนึงบอกว่าโอ้ฉันยังอยากเสพกามคุณ5อยู่อีกกลุ่มหนึ่งบอกโอ้ฉันไม่เอาแล้วการบคุณ5้ฉันต้องการบรัตรพุทธพรหมจันทร์ามความเข้าใจนิด น, นึงท่านฟังเกี่ยวกับคําว่ากาม กามากุญห้แล้ก็ไก่สรามอม้าเนี่ยมันคืออะไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติตางสินแต่ทั้งสองกลุ่มนี้ปฏิบัติแบบเดียวกันนะปฏิบัติแบบเดียวกันแต่อยู่คนละตำแหน่งตำแหน่งทความเข้าใจควาว่ากามสักนิดหนึ่งกามเนี่ยหมายถึงความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจความกำนัดความลุ่มหลงนะความน้อมไปลักษณะนี้ในอะไร ในสิ่งที่เป็น ก, รรมกามบุคลทั้งห้าใน ก, รรมกามบุคลทั้งหมันคืออะไรฟังคล้ายๆกันมันก็คือความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและกาย5้าอย่าง5อย่างนี้เรียกว่า ก, รรมกามบุคคลหอารมณ์อันวิจิตพิสดารใดๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเท่านั้นนะไม่มีใจนะ5อย่างเท่านั้นเรียกว่า ก, รรมกามบุคคลห กามคุณหก็ส่วนหนึ่งกามก็ส่วนหนึ่งอารมณ์อันวิจิตพิสดารที่เกิดทางตางหูจมูกลิ้นกายเช่นอะไรบ้างที่นอนนุ่มๆอันนี้เป็นแน่อาหารรสอร่อยอันนี้ทางลิ้นแน่หรือว่ากิจกรรมของคนคู่อันนี้ผ่านทั้ ง, ท, งทางตาทางสัมผัสทางกายมีหมดหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศอันนี้ผ่านมาทางหูด้วยผ่านมาทา ง, ทางตาด้วย หรือว่าบ้านหลังโตๆเงินมากๆอันนี้คือการมากุลห้าความสุขสมณัตที่เกิดจากสิ่งนี้นั่นคือเจ้ากามากุลนะพ่านมาส่วนเจ้ากามกามนี่คือความยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากำหนัดในกามากุลห้นั้นเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันเหมือนกับกาวมันเหมือนกัยางเหนียวทจำเั็นที่มันยังติดใจของเรา กับสิ่งที่เป็นกามมกุล5้าถ้ามันติดกันเมื่อไหร่พัวติดเดิมเลยเนี่ย น, นะคุณอาจจะยังไม่ได้เรื่องของกามมกุลหแตกใจเนี่ยชุ่มอยู่ด้วยกามมันไม่มีอยากได้กามมกุล5อยากได้บ้านหลังโตๆอยากได้เงินมากๆอยากได้ชื่อเสียงกิติยศแต่ว่าไม่มีใจชุ่มอยู่ด้วยกามก็มีความแห้งผากมีความเร่าร้อนมีความรุ่มร้อน นันกามนะเป็นฤทธิ์ของกามที่เกิดขึ้นในใจคนที่มีใจชุ่มอยู่ด้วยกามนะเสพกามมาคุณห้นี่กรณีที่1ก็คือเหมือนกับกระวาสที่ยังยินดีในการเสพกามอยู่เพราะนั่นคำว่าเสพกามเสพกามเนี่ยคือจิตใจเนี่ยถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยเจ้ากามนะชั้นนอกถัดไปจึงเป็นกามมาคุณ5อันนี้เป็นเรื่องที่ติดกัน ในเกี่ยวข้องกันทั้งกามนะกามคุณจะมีกามได้อยู่ในใจนะกามกามมันก็จะไปติดกับเรื่องของกามะคุณ5กามะคุณ5ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายในตอนนั้นคุณอาจจะมีหรือคุณอาจจะไม่มีอ่ะเห็นเช่นคนเป็นเศรษฐีคุณเป็นเศรษฐีคุณมีความสุขโสมนัติหรืออารมณวิจิตพิสดารที่จะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมเช่นบันหลังก์โตๆเงินมากๆชื่อเสียงรถหรูร คุณมีคือคุณมีกามบุคุณหางกับคนจนคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีกามบุคุณหอยู่บ้านชมโฉ ม, มเป็นกระท่อมพื้นนี่ไม่ได้เทเลยซ้ำไม่ได้เทปูนเลยซ้ำเป็นพื้นดินธรรมดาไม่ต้องพูดถึงว่าปู ด, ด้วยกระเบื้องตารางเมตรละกี่พันผนะนังบ้านก็นะเป็นโอ้ยอย่าพูดว่าเอาอิดมาก่อเลยนะเอาภายหญ้าเอาหญ้ามามุงเอาใบไม้มามุงไม่ต้องพูดถึงว่า จะเป็นวอลเปเปอร์สีนั้นสีนี้คนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัตินะกรารมาคุณห้าน้อยมากแต่ถ้าใจนะใจของทั้งสองคนมีกามอยู่มีได้นะกามคือความเพลิดเพลินยินดีกำนัดพอใจรุ่มหลงมัวเมายึดมัน่นในสิ่งที่เป็นกามมาคุณห้าทั้งสองคนนะจะเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีก็มีกามได้จะเป็นยาจกจะเป็นคนจนก็มีกามได้ กา ร, รที่อยู่ในใจนะคือคนที่เป็นคารวาสเนี่ยเขาจะยินดีพอใจในกรรมตรงนี้ก่อนนะตัวเองยังไม่มีกรรมมารบัคคุณให้ก็ตามแต่แบบโอ้ยอยากได้อยา ก, ยา ก, ยากมีฉันทํางานงกงงกงกนี่ก็เพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงให้มีเงินให้ได้อยู่ได้กินมีความสุขทางกามนี่เป็นองมีความคิดในการที่จะเสพกามอยู่นั่นคือคนที่ยินดีในการเสพกรรมซึ่งถ้าเขายังละกรรมไม่ได้ ยังละไอ้เจ้าสิ่งที่มันหุ้มห่อใจที่เป็นยางเหนียวที่เป็นกาวเนี่ยคือเจ้ากามเนี่ยนะยังละในใจไม่ได้เขาจะไม่ยินดีในการบารบิดพรหมจรรย์นตนะคนที่จะยินดีในการบารบิดพรหมจรรย์นั้นะเพราะว่าเห็นโทษบ้างแล้วเห็นโทษของกามเห็นโทษของกามว่ากามนี้เป็นสิ่งที่มีทุกมากมีโทษมากมีคุณมีประโยชน์นิดนึง นิดเดียวท่นั้นเองนิดเดียวตรงไหนนิดเดียวตรงที่มันทําความสุขโสมนัสให้ในใจเราได้อย่างสุขที่กิจกรรมคุณ5อ้าวมีมาการคุณเข้าไปยินดีโทษมันมากมายประโยชน์มันนิดเดียวและนิดเดียวตรงที่ว่ามันจะทําให้เรามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นแค่นั้นเองในแต่โทษมันมหาศาลเอา้าเราหยุดพุ่งพูดถึงโทษก่อนยกไปก่อนนเดี๋ยวจะค่อยพูดต่อไป แต่บุคคลที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็คือต้องการหลีกออกจากกรรมแล้วต้องการมาหาความสุขอย่างอื่นที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าในต้องการที่จะลดไอ้เจ้าโทษทุกที่จะเกิดขึ้นจากกามถ้าว่าคน2กลุ่มนี้เนี่ยออปฏิบัติในเรื่องเดียวกันเพราะว่าทุกโทษของการมมีมากในรายละเอียดเราจะค่อยพูดกันทีนี้ในการเสพกามอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ย อย่างน้อยได้รับทุกโทษที่เกิดจากกรรมนั้นมากเท่าไหร่นะครือกรรมมีโทษแน่นอนคุณเส็บแล้วจะเริ่มมีปัญหาแน่แต่จะทําอย่างไรอย่างน้อยให้ปัญหานั้นยังควบคุมพอควบคุมอยู่ได้ไม่ให้ปัญหามันลุกลามไปจนกระทั่งเป็นอันตรายถึงต้องไปตกนรกกาหนดเดรัจฉานเปิดวิสัยแนะซึ่งวิธีการนั้นมีอยู่นั่นนนัคือการปฏิบัติตามศีลศีลนหะข้อ เ, เป็นพื้นฐานที่ดีละที่คุณก็ยังไปกินข้าวเย็นได้ที่คุณก็ยังแต่งตัวสว ย, สวยได้ คุณมีเงินมากได้มียังมีชีวิตความเป็นอยูนะ่ชุ่มอยู่ด้วยกามนะมีกรรมคุณหาเออบิมเพียบพร้อมอยู่แต่ยังปลอดภัยได้ซึ่งบุคคลที่เห็นโทษของการรมเนี่ยแม้นิดหนึ่งเขาก็ยินดีที่จะหลีกออกจากการมันให้มากขึ้นเพราะว่าเส้นทางของการรมนั้นนะจะพาเราไปสู่ที่ต่ำนะเหมือนกระแสน้าที่ไหลไปจะไหลไปสู่ที่ต่ำนะตรงที่ต่ำตรงนู้น มีทั้งอสุรกายมีทั้งน้ำวนมีทั้งคลื่นมีทั้งปัญหาอะไรต่างๆที่ถ้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บคุณต่ําแน่นอนคุณคุณแย่แน่นอนและซึ่งตรงนั้นพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องนรกกาเนิดและฌานเประวพิสัยน่าจะเสพการอย่างไรไม่ให้ไปถึงจุดนั้นแต่ไม่ให้ไปถึงจุดที่จะมีปัญหาในชีวิตของเราเรื่องนรกกาเนิดและฌานเปรย์พิสัยน่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในภพนาชาตินาแต่ในปัจจุบันนี้คุณจะรับทุกโ ท, โทมนัสอย่างมากถ้าเราเป็นธาตุของกาม เราจึงมีวิธีการปฏิบัตนะิซึ่งเป็นการทวนกระแสนั่นเองทวนกระแสเดียวกันนะไอ้ทวนกระแสตรงเนี้ยบางคนก็จะอยู่ในช่วงต้นน้ํานะักระแสน้ํำยังไม่แรงบางคนก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ๆน้ําตกแล้วใกล้ๆจุดที่มันเป็นน้ําวนแล้วกระแสน้ําก็จะแรงหน่อยนะซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็จะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันเดินถูกกระแสน้ําพัดไปเหมือนกันในะกระแสนในที่นี้ก็คือตันหานั่นเอง นะมีการมติหาเป็นต้นที่เราพูดถึงอยู่นี้เพราะนั้ในบุคคลสองบุคคลที่ยินดีในการประพฤติพรหมชนกับยังยินดีในการเสพกามนะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนั่นะคือเส้นทางที่จะให้หลุดพ้นจากอํานาจของกามให้ไดนะ้คนที่จะหลุดพ้นทําไมเราถึอองควรที่จะหลีกออกหนีออกจากการตกอยู่ในอํานาจของกามการตกอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลรธรรม เพราะสิ่งนั้นเนี่ยจะพาเราไปต่ำนะพาไปสู่ที่ไม่ดีเอ๊ะจะไม่ดีซะหรอกก็มีความสุขอยู่นะกินข้าวเย็นหรือว่าไปเที่ยวเ็กเที่ยวพับหรือการคุยเล่นตลกโปกฮาฟังดูก็มีความสุขดีแต่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายออยา่างก็ก็ดีนี่ใครๆเขาก็มีกันใช่ไหมทุกคนเขาก็ดูกันเล่นกันไม่มีปัญหาถูกต้องตามฟั ง, งถูกต้องอันนี้เป็นความสุขที่คุณเห็นได้ ่เป็นความสุขความอาบอุ่นเพียบพร้อมด้วยวาการมงคณทั้งหอันนี้เป็นธรรมดาประเด็นก็คือว่าเราถ้าเรามีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนี้มากเก่ามากเก่ามากเก่าตะกุนก็จะเริ่มทำผิดศีลในมีการด่าการว่ากันมีการหวงแหนกันในมีการใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างใช้มือบ้างใช้ก้อนหนินมากเพื่อที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเรานรหนี่ปัญหามันจะเริ่มเกิดปัญหามันจะเริ่มเกิดตรงที่ว่า เรเริ่มมีการบระพฤติผิดในทางกามการประพฤติผิดด้วยอำนาจของการรมการประพฤติผิดเช่นการเบียดเบียนกันบ้างเช่นการใช้คําหยาบบ้างเช่นการใช้อาวุธบ้างเช่นการฆ่าบ้างการประหารบ้างนี่แคบในพปัจจุบันเรายังไม่ได้พูดถึงการที่จะต้องไปลงนรกกาเนิดเดรัจฉานประวิสัยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ทําจิตในลักษณะที่มีการเบียดเบียนมากก็จะอยู่ในพบที่เขาจะต้องมีการเบียดเบียนกันมีธรรมชาติ ของการเบียดเบียนกันเป็นธรมดาเช่นสัตว์เดรัจฉานเส้นสัตว์นรกเป็นตน้นเพราะฉะนั้นถ้าใจของเรานะตกอยู่ในอำนาจของกามใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในการที่จะทำยังไงให้ได้มาซึ่งกามมากุลนั้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นและมากขึ้นแล้วมันจะต่ำลงไปเรื่อยต่ำลงไปเรื่อยๆแต่เส้นทางตรงนี้จึงต้องมีการทวนกระแสสักหน่อยหนึ่งเป็นการทวนกระแสของตัณหาหนึ่นงไม่ให้ใจของเราต่ำลงไป ซึ่งคนที่เป็นคารวาสบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากในการที่จะทํานั่นเพราะว่ากระแสน้ํามันพัดมาแรงตอนที่คุณอยู่ใกล้ๆทุดที่เป็นน้ําตกเนี่ยแต่ถ้าคุณอยู่ต้นๆทางน้ําน้ํำยังไม่แรงน้ํำยังไม่มากันั้นก็คือพูดถึงคนที่เป็นผู้ประมาจันละยินดีในความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วแต่ในที่นี้ที่พูดถึงความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นแหละคือสิ่งที่โตแทนบางคนก็จะคิดว่าชีวิตฉันจะจฉื่อด นะไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นนะไม่ได้มีสีแสงแสงสีในชีวิตเลยโอ้จุดชืดมากถ้าเพื่อนฟังคิดว่างไงถ้าคนก็เอาไฟมารนตัวเองนะ่มารนมาเผามาย่างให้มันร้อนเปล่าๆคนที่เขาจะทําอย่างนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นโรคเรื้อนท่านเพื่อเป็นโรคเรื้อนนะตัวนี่ผิวพันธุ์เป็นแบบสุกปล่งมีแผลเต็มตัวนะถูกเชื้อโรค ก, กินแทะแกะกัดอยู่ ตัวเองก็จะต้องเอาไฟมารนตัวเองเพื่อให้รู้สึกสบายนิดหนึ่งพระาะาเปรียบคนที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเสพกามเป็นกลนหลวงหลวงที่ทำให้เราเผาตัวเองเผาตัวเองเราก็คิดว่ามันจะสบายคิดว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากไฟที่มาโดนตัวเราอยู่นี้เป็นสีสันในชีวิตคุณพลาดนะเพราะอะ เพราะว่าการรับรู้ของผิวหนังของเราต่งางหากที่มันปิดพลาดไปแต่ฟังถ้าผิวเราดีๆผิวเราเรียบๆงามๆสวยๆอยู่เอาแค่ว่าคุณเก่าเก่าก่าเ ก, าเ ก, าเกาจนกระทั่งผิวมันถลอกลเราจะเริ่มแสบยังไม่ต้องถลอกก็ได้เราก็จะเริ่มแสบและผิวก็จะเริ่มเป็นขุยนั่นผิวเริ่มรอกต่อไปก็หนังก็จะเริ่มเปิดเชื้อโรคก็จะเข้าไปแต่เราไม่ทําหรอกเพราะว่าผิวเราดีอยู่ทำไมเราจะต้องไปเก่าเราคิดดูถึงตอนที่ถูกยุงกัดสิตอนที่ถูกยุงกัด ยุ่งจะปล่อยสารเคมีออกมาประเภทหนึ่งที่ทําให้เลือดมันไม่แข็งตัวเวลาที่มันดูดเลือดเราอยูนะ่ซึ่งสารเคมีนั้นจะทําให้การรับสัมผัสของผิวนังเราเปลี่ยนแปลงไปจากที่เรียบเรียบสบายสบายมันก็จะรู้สึกคันพราะรู้สึกคันก็จะต้องเกาพอเกาแล้วหนังมันก็จะเริ่มเปิดผิวก็จะเริ่มถลอกแล้วก็จะมีน้ําเหลืองอไหลออกมาเชื้อโรคก็จะเข้าไปแมงวันก็จะมาตอมเพนะราตอมมีเชื้อโรคมากมันก็จะยิ่งคันมากขึ้น ยิงการมากขึ้นก็ยิงเก่ามากขึ้นเราจะมีความสุขที่เกิดจากการเกานั้นนิดหนึ่งนี่คืลักษณะของกามเป็นกลลวงที่ทําให้เราเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยมันแย่ที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความยินดีในสิ่งนั้นแต่จริงสิ่งนั้นมีโทษมากมีความมีประโยชน์นิดเดียวเพราะนั้นเราจึงต้องหาสิ่งทดแทนหาสิ่งทดแทนในการที่จะทําให้จิตใจนั้นมีความสุขประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกาม เราขยเยอบออกจากทางปลายน้ําสักนิดนึ่งนะขึ้นไปทางต้นน้ำํำนะต้นน้ําดีกว่าเส้นทางน้ําตรงนี้ที่ข้าวเจ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผิดนะเพราะว่าถ้าเราไปตามทางน้ํานี้เรื่อยๆนะข้างหน้าเนี่ยเ ป, เป็นทางน้ํำวนนะมีอสูรกายแล้วก็เป็นไปด้วยมีเป็นน้ําตกลงไปนะเราไปถึงงนั้นเราจะต้องตายแน่นอนเพราะมันจะต้องตกลงไปบึ้มเลยแต่เส้นที่ถูก มันจะต้องออกทะเลแต่มันไม่ใช่จะตกเหวเป็นน้ําตกอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นเส้นที่ถูกเราต้องไปเส้นนั้นเะนั้นคือความเป็นผู้ที่ถึงกระแสคือความเป็นโสดาบันแต่ถ้าเรามาเส้นของกามเส้นของตันหาอันนี้เราต้องทวนกระแสแต่ถ้าไปตามเส้นที่จะออกสู่ทะเลนั่นคือไปตามมรรคเราไปตามทางนั้นถ้าคนที่ตกอยู่ในกระแส ข, ของกามถูกกรรมมาตันหาพาไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนสุดท้ายนั่นคือน้ําตกนั่นคือวั่มวน นั่นคือมีอสุรกายมีคลื่นอยู่ตรงนั้นต้องระวังต้องไปทางอย่าไปทางนี้ให้เลี่ยงทางนี้ซะให้ไปทางอื่นซึ่งทางที่จะไปตรงนี้ได้เนี่ยก็มีทางเดียวนั่นคืออริยมรรคมีองแปดไม่ว่าจะบุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะบุคคลที่ยังยินดีในการเสพกามคุณก็จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดเป็นเช่นทางเดียวกันทัานผู้ฟังผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางคนก็ตามเถอเะเหเผลอเรอ ไม่ปฏิบัติตามสิ่งของตัวเองให้ดนะีมีความประพฤติย่อหย่อนแล้วก็ถูกน้ําพัดพาไปพัดพาไปอา้าวไหลไปอยู่ตําแหน่งเดียวกันกับครื่องหัดแล้วนั่นะก็หมายถึงลาศิกาไปแล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ในเพศของครื่องหัดอ้าวก็ไปอยู่ตําแหน่งเดียวกันกับเขาละแล้วก็มนะีหรือบางคนเป็นเครื่องหัดพยายามที่จะเดินทวนกระแสแห่งตันหานี่มาเดินทวนกระแสกามาตันหานี้มาเดินขึ้นมาจนถึงบริเวณที่ กระแสมันเบาหน่อยนะแล้วก็ขึ้นมาอยู่นตําแหน่งที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นบันปรปชิตเนะีเป็นนักบวชยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หรืออาจจะเป็นคารวาาก็ตามแต่เป็นผู้รักษาศีลแปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ดีนะเราไปถึงตําแหน่งที่เป็นทางแยกที่จะให้พาเราไปออกสู่ทะเลอันนั้นจะยิ่งดีนะเดินเข้ามาเดินเข้ามานั่นคือผู้ที่ถึงถึงกระแสแห่งความเป็นอริยบุคคลโทษของการเที่ยวฟังมีมา ก, ม, ม, ากมีมากเกินประมาณ ถ้าเราไปตามทางนี้เราอาจจะไม่เห็นตรงนี้มันอาจจะเหมือนๆกันนี่ก็เป็นน้ําเหมือนกันเหมือนเหมือนกันหี่ก็เป็นกระแสเหมือนกันน่ยตรงนี้แหละที่เราจะพลาดได้เราจึงต้องมีสติคอยดูให้ดีพระรูปเจ้าของเราท่านกำลังเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องหนทางฉลาดในเรื่องหนทางรู้ว่าทางนี้ควรไปทางนี้ควรเลี่ยงทางนี้ถ้าคุณไปคุณจะไปสู่น้ําตกตรงมีน้นําวนมีอสุรกายอยู่ทางนั้นเราต้องหันหัวเรือของเราให้ดี นะไปจุดสู่ทางที่จะออกสู่ทะเลจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดที่เราจะเป็นทางเลือกทางเลือกที่ว่าเออเราจะประพฤติพรหมจรรย์ดีหรือเราจะเป็นเครหัส่าดีเราจะรักษาตรงไหนดีคือใครอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็เลือกในการที่จะประพฤติตามบริยมักมีองแปดได้นะคือหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยเราเดินเรือไปเราเดินเรือไปนะทางแยกมันมีมาให้เราตลอดเวลา ทางแยกที่ถูกคือทางขวาทางขวาคือพูดถึงสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าเราเลือกทางซ้าย น, นั่นคือมิจฉาทิฏฐิจะพาเราไปสู่เหวตรงนั้นมีน้ำวนมีอสุรกายแต่ถ้าเราเลือกทางขวาซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิทางนี้เราจะพาเราไปสู่มหาสมุทรเราเล่นเรือให้ถูกแต่กระแสน้ำบางทีมันเชี่ยวกระแสน้ำพัดพาไปเนี่ยทำให้เราพลาดมองไม่เห็นทางเลี้ยว แต่บางทีมันจะต้องควบคุมกันเชียงอะไรต่างๆโอ้มึนไปหมดนะเรื่องราวต่างๆมาเยอะแยะเราจึงต้องรักษามีสติมากๆเลยยิ่งอยู่ในบริเวณที่น้ําเชี่ยวนี่ยิ่งต้องระวังนะพูดถึงก็ระหัสนั่นเองนะที่จะต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะนะทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยเดี๋ยวทําบางคนไม่ได้ทํางานเดียวทําหลายงานแล้วการทํางานนี่ก็มีอุปสรรคมีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะนะจึงยิ่งควรที่จะต้อง หาทางให้ถูกแตนะถ้าเรามาทางที่ปิดแล้วมันจะมันจะมีคลุกคลักละ่ะมันจะทำให้ชีวิตของเรานี้ไม่ราบรียบนะขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาตามสิ่งที่มากระทบการปฏิบัติตามทำจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแตนะ่บางทีเราเลี้ยวขวามาแล้วนะแต่ตอตอ น, ต, อนต้นทางของทางเลี้ยวขวาเนี่มันคลุกคละเอ๊ะเรามาถูกทางไหมนะก็ต้องมาพิจารณาดูให้ดีซึ่งการปฏิบัติช่วยได้การปฏิบัติคืออะไร การที่เรามีสติหลการที่เรามีสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นฐานที่ตั้งไม่ให้จิตของเรานั้นสับสนบวุ่นวายในสับสนบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบจนกระทั่งไม่สามารถมองเห็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ถูกต้องไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมายเครื่องอ้างองิองก็บอกป้ายทิศไว้ไปทางนี้อ่าดูป้ายผิดหรือไม่เห็นป้ายนะซึ่งเครื่องหมายสั ญ, ญลักษณ์ตรงนั้นนั่นคือเครื่องหมายของคนดีนะั่นเองเครื่องหมายของคนดีเครื่องอ้างอิงของคนดี คนดีเห็นปุ๊บเขาไปตามทางนั้นนั่นคือการประพฤติกายอันเป็นสุจริตประพฤติวาจาอันเป็นสุจริตประพฤติทางใจอันเป็นสุจริตนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีเราเห็นปุ๊บเราทําตามทางนี้ เ, เร า, า, าแค่กายวาจาใจอันเป็นสุจริตนะมันน่าจะทําได้แลนะทําไปคุณก็จะเห็นสิ่งที่มันเลเอียดมากขึ้นนะเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องอินทรีย์เรื่องภละเรื่องโพชงมันก็จะไปตามทางนั้นไป ทางนี้ไปสู่ทะเลได้คนที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามาเส้นทางของตัวเองอาจจะน้ําเชี่ยวบ้างน้ําเอื่อยบ้างาทางเลือกในชีวิตของเราเนี่ยมีมาให้ตลอดเราสร้างทางเลือกด้วยได้เองรืยซ้ำแต่วินาทีนี้ถ้าเราเห็นถูกเราก็เลือกทางขวาวินาทีถัดไปถ้าคุณเห็นผิดอา้าวคุณไปทางซ้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีอสุรกายมีน้ามนต์เป็นน้าตกนะเอเราเลือกทางขวา พยายามไหวหรือว่าควบคุมกันเชียงเรือของเราเนี่ให้ไปถูกทางให้ได้แล้วการที่เรากําลังเดินทางอยู่ตามกระแสแม่น้ําำจนถูกกระแสแม่น้ําพัดพาไปอย่างนี้เราไม่ได้เดินทางคนเดียวแต่มันมีเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแยะไปหมดอ้าทําไมคนนี้เขาเฮโลกันไปทางซ้ายอ่ะอีกกคนหนึ่งก็เฮโลกันไปทางขวาเอ๊เราจะไปทางไหนดีต้องเลือกทางขวาทูฟังเลือกทางที่จะไปให้ถูกเลือกทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรามีเพื่อนเรา เราก็ต้องชักชวนไปทางขวานะอย่าชักชวนไปในทางที่ไม่ดีเราเห็นเขาจะไปไม่ดีเราต้องคอยเตือนคอยบอกกันนะชักชวนกันไปในทางดีแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปผิด ท, ทางนะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยแต่เห็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราไปทางนู้นเอา้าเขาจะเลี้ยวผิดแล้วนี่เขาเห็นสัญลักษณ์ผิดเต้องรีบตะโกนบอกเลยนะคือหมายความว่าถ้าคุณเป็นคณะน่ะคุณเห็นภิกษุที่จะเสื่อมจาก การประพฤติพรหมจรรย์ต้องรีบเตือนคอยบอกกันนะ่เพราะว่าตรงนั้นเหมือนกับเขาไปอยู่ข้างหน้าเราแล้ว่นะอยู่ข้างหน้าในการที่จะไปสู่ทะเลแต่ว่าเอา้าจะเลี้ยวผิดนี่จะเลี้ยวไปทางซ้ายนะเราจะตามทางนั้นไปเนี่ยเราก็จะปลาดนะแต่คือถ้าเขาเลี้ยวผิดไปแล้วเราไม่มีโอกาสเตือนเราก็ไปทางที่ถูกเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะเลี้ยวผิดเราก็ต้องช่วยบอกให้เขาไปทางที่ถูกแตนะ่ช่วยกันนะเพราะว่าในสังสารวัตนี้พระเจ้าบอกไว้่บอกว่าใครเป็นมิตร ใครเป็นเพื่อนคู่ค้าใครเป็นญาติใครเป็นคนที่เราจะพอบอกได้ให้บอกให้เตือนเขาในการที่จะให้มารู้อริยรสัจสีบางทีคนที่ไหวไปอยู่ตามกระแสแม่น้ําที่มันแยกไปเยอะแยะไม่รู้ไปทางไหนยังไ ง, ไงบ้างเนี่ยมันงงแต่จึงมีผู้ที่ยืนอยู่บนจงล้นผายืนอยู่บนเขาเห็นเส้นทางว่าทางนี้ไปสิทางนี้ไปสิแล้วคอยฟังคนนั้นให้ดี คนที่เขายืนอยู่บนช่อก่นเขาช่อก่นผาแล้วก็คอยตะโกนบอกคนที่อยู่ข้างล่างว่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้ไปทางนี้คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพุทธเจ้าเบยียร์พระองค์เป็นเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่งบนบกอยู่อยู่บนช่อก่นผาที่แห้งเห็นคนที่กําลังว่ายไปคนที่กําลังแล่นเรือไป น, นคิดว่าจะไปทางถูกแต่ว่าทางนั้น น, นจะเป็นน้ําตกน้ําวนมีอสุรกายเราเลี่ยงทางนั้นเสีย แต่ซึ่งคนนี้ที่จะคอยมาตะโกนบอกเราตอนนี้ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แผนที่เอาไว้แผนที่ปลอมบางทีก็มีด้วยเพราะเราต้องดูแผนที่ให้ถูกนัดูแผนที่ให้ถูกอย่าดูกลับหัวดูให้มันถูกด้านบางคนได้แผนที่ผิดเสียดายจริงๆแล้วก็ก็ไปผิดที่บางคนได้แผนที่ถูกแต่ดูไม่เป็นดูกลับหัวอย่างนี้ก็ไปผิดที่เหมือนกันเราก็ต้องดูให้ถูกด้วยแผนที่แผนที่นี้คือคําสอนของปริญญาณนั่นเอง ที่อยู่ในตำราที่มีการเขียนบอกต่อๆกันมาบางตำราผิดบางตำราเอาสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนมาบอกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนก็มีตำราผิดไม่เอาแผนที่ผิดนั่นเองแผนที่ถูกมีแผนที่ถูกละแต่ทำให้มันถูกด้วยวิธีการดูแผนที่ให้ถูกนั้นก็มีเครื่องหมายมีหลักอ้างอิงมีจุดที่จะคอยสังเกตได้อยู่ซึ่งบางที บางคนตามจุดบางจุดอ่านแผนที่ถูกบางจุดตัวเองอ่านแผนที่ผิดนะซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องคอยเตือนกันคอยบอกกันนะให้ดูแผนที่ให้ถูกนะไม่ใช่ว่าคนที่ไปก่อนแล้วเขาอาจจะถูกหมดมันจะเป็นจุดที่เขายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะเราอยู่ด้านหลังเราอาจจะเหน็นก็ช่วยเตือนกันบอกกันสิ่งที่ข้าพเจ้ามาบอกในที่นี้เพื่อต้งองการให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเราทั้งหลายเนี่ยผู้ที่เป็นสัตว์ น่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเปรียบเหมือนกับเดินทางอยู่บนในเขาวงกฏะกองสังสารวัตรทางแยกมีเยอะแยะเราไปถ้าทางทางผิดเราก็จะไปต่าถ้าทางถูกเราก็จะไปสูงได้ซึ่งพูดที่จะเข้าใจระบบสังสารวัตรเขาจะมาคอยบอกคอยเตือนให้ไปทางนี้อย่าไปทางนั้นคนนั้นไม่รู้บางทีบอกผิดเราก็ต้องหาคนบอกให้ถูกซึ่งคนบอกที่ถูกตอนนี้มีอยู่ นั่นคืพระสมมาสมุทรเจ้าแต่ตอนนี้คนนั้นไม่อยู่แล้วปรินิพานไปแล้วคําสอนของท่านเป็นแผนที่ก็ยังมีอยู่แผนที่บางสมัยก็ตกมาถึงมือของคนที่เขาเดินทางอยู่บางสมัยก็หายไปคือสมัยที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีคําสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่ก็ต้องมีคนที่ค้นพบทางมาบอกแผนที่นั้นอีกมาบอกความรุ่นนั้นอีกต่อๆไปตอนนี้เราโชคดีมากท่านผู้ง เราโชคดีมากจะเรียกว่าโชคดีในความโชคร้ายก็ได้แต่เพราะความที่พระรชาบริณิพานไปแล้วเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์มากแต่เป็นความโชคร้ายของบวงสัตว์มากแต่ว่ายังดีที่ยังมีคําสอนเหลืออยู่ยังมีแผนที่อยู่นะอ่านยากบ้างอ่านง่ายบ้างเข้าใจได้ง่ายบ้างเข้าใจได้ยากบ้างส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนที่รู้แล้วก็มนะีเรามาทําความเข้าใจการปฏิบัติให้มันได้คือทางเดียวกันนี่แหละ เเป็นสัตว์เหมือนกันคนที่อยู่ในสังสารวัตรเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เหมือนกันเดินอยู่บนทางเดียวก so you ันเท้าออกมีทางเดียวเส้นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่ทะเลเส้นทางเดียวที่เราจะว่าเราออกจากเขาวงกตนี้ให้ไปตามทางเส้ like นทางนั้นเราไปตามเส้นทางนี้อยู่จะมีคนขุดหลุมดักปรับปิดทางที่จะไปทางดีเปิดทางที่จะไปทางเสียอันนั้นคือมาน นะซึ่งซึ่เขาจะทําหน้าที่ของเขาอยู่พระเจ้าก็ทําหน้าที่ของพระองค์เอาเปิดทางที่จะไปทางดีปิดทางที่จะไปทางเสียนะนั่นคือบอกไปแล้วเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงบางอย่างมันลางเลือนไปบ้างนะเราต้องสังเกตให้ดีเราต้องไม่ประมาทเราต้องมีสตินะดูให้ดีเปิดตาทั้งสองข้างเปิดตาใจดนะูฟังทำอยู่เรื่อยๆปฏิบัติทำอยู่เรื่อยๆปฏิบัติในสภาวะที่ตัวเองปฏิบัติได้ แต่คุณจะมาวัดได้คุณจะไปลเลี้ยงเดินปฏิบัติทําได้ดีแต่คุณยังมาไม่ได้รักษาจิตของคุณให้ดีรักษาจิตด้วยสติรักษาจิตด้วยศีลแล้รักษาศีลศีล น, น, นั้นจะรักษาเรารักษาใจของเราให้มีสติพอใจเรามีสติเราจะพอจะเห็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงที่ถูกต้องไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นไม่ยากในเรื่องของการปฏิบัตินั้นให้ทําต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัตินั้น ให้ทำเหมือนกับเป็นชีวิตประจําวันของเราแตนะ่เราปฏิบัติจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่หลับตาก็ได้ลืมตาก็ไดนะ้อาจจะไม่ต้องมานั่งสมาธิก็ได้เพื่อจะทําการงานอยู่นะด้วยศีลด้วยวาจาด้วยใจของเรานะด้วยกายวาจาใจที่เราไปทำตามชีวิตประจําวันนั่นแหละตอนนี้เป็นเครื่องรักษาจิตของเราได้นะเราทําความเอียดลึกซึ้งให้มากยิ่ ง, งขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นการดีเพิ่มเติมยิ่งขึ้น แต่ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆ ใ, ในรายการสามารถเขียนส่งมาได้เลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายศพํำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไปรษณีย์สี่หนหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ purethama.com p, com, p u r e d h a m, m a เดี๋ยวันนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญก็ข อ, ขอลาไปก่อนเชิญป่อน